สำหรับที่จะวิธีเปลี่ยนวิธีหนองมาวิธีเนี้ค่อนข้างใหญ่าใช้ความพยายามนะพ่อเคยทําหนองมาแล้วมาเปลี่ยนเป็ น, เปนวิธีเคลื่อนไหวนี่น ะ, ะข้อสําคัญก็คือว่าการเคลื่อนไหวแบบหนอมเนี่ยมันข้อแตกต่างนะหนึ่งมีตัวกําหนดเร็วใช้สัญญาที่ใช้บริกรรมเขาจะช่วยเบื้องต้นนะคนนานๆไปก็ทิ้ง ที่บริกรรมันแตกใช่ไหมระดับที่ไปถึงชื่อของหมอเนทังทีบริการในวิธีนั่งก็จะนั่งลับตานี้ความแตกต่างนะลับตาแล้วก็พองยุคนี่พอทำไปนานไอ้กาหนดพองยุคไม่ได้แล้วก็วแต่ลมหายใจเรื่วนนะองยุเฉพาะในช่วงแรกที่จิตเรายังหยาบๆอ ย, าอยู่ยังมีความคิดความ สงสัยพวกฟักคุ้ทงทะเลอยู่นี่ก็จะใช้หนอพุ่มเดียวับพอตัวที่วอัสมบกเนี่ยก็สามารถที่จะมันก็จะไม่กำเนดท้องละมันก็จะมาอยู่กับลมเป็นอนาปาแล่วหนอนี่เป็นอะบางอย่างส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเป็นอนาปาเพราะฉะนั้นในบุคลิกของผู้เป็นต้นกาเนิดของหนอเนี่ยก็ทำมาทั้งอนาปาและทําทมาทั้งเคลื่อนไหว มหาศิษย์ยดอนนั้นวิีการปฏิบัติการอารมณ์ต้องานจะใกล้เคียกันมากแต่ว่าถ้าเป็นคทางสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้ามาต่อด้วยการเคลื่อนไหวแบบแบบหลงพ่เทียนเนีมันจะเป็นวิปัสสนาล้วนๆนะแต่ว่าจะมีสมถะประสงคนะ์อากตาส่วนที่ไม่มากนักก็เกี่ยวข้องด้วยรูปนามนามรูปนะ ดังวิธีการเปลี่ยนก็คือคือกปรับจากหลับตามาเป็นยืมตาเป็นที่หนึ่งนะสการปรับจากการเคลื่อนไหวของท้องมาเป็นการเคลื่อนไหวของมือสาปรับจากการเคลื่อนไหวกำหนดด้วยสัญญาก็เป็นการมากำหนดด้วยความรู้โดยที่ไม่ต้องกำหนดนี่รู้เท่าที่รู้ แทนที่จะรู้ถึงร้อยเปอร์ซ็เวลายก6เตะเนี่นะรู้1 0อเต็มเนยก็รูดเอาออกขัางหมดก็เหลือแต่อ้าวธรรมดาสี่ก็คือการที่ก้าวช้าจะเป็นเร็วขึ้นแต่เป็นแทนที่จะเน้นการเตะแต่ไปนเน้นการหนักและเบาของการกระทบพื้นแต่ไม่ได้กาหนดเจาะชัดตรงไปที่กัน เกียวกันยกการย่างการดมการแตะการกดนะก็ขบวนการลื่ออกให้เยือแต่รู้สฉยๆไปในอยู่ที่เวลาการเกียบและการยกที่มีความรู้สึกหนักเบาเป็นตัวกำหนดซึ่งโดยรู้สึกหนักเบาเนี่ยมันไม่ได้มาจินตนาการในรูปของการยกหรือท้ง 6สเต็ปนั้นแต่ว่ามันเอาตัวหนักตัวบาเนี่ยเป็นตัวกระดับก็เอาตัวสัญญาออกแต่มาเป็นตัวรู้เป็นตัวสติสมัญญ์แทนแทนสัญญาเปลี่ยนตัวสัญญาตัวนั้นมาเป็นที่ละสัญญามีความรู้สึกตัวควบคองในการหนักทกันเบาที่เยียบมีความแตกต่างตัวนั้นก็ขั้งชัดเจน เราก็ลอาพูดถึงเรื่องความต่างระหว่างหน้องกับ ก, การเคลื่อนไหวนะว่าพวกเราผ่านออานองมาเท่านั้นที่ที่จะปรับเขสู่โหมดของการเคลื่อนไหวแต่ขัฒน์เย็นเนี่ยต้องมาให้เหความแตกต่าเป็นจุดก่อนหนึ่งงหับตาและวินตา2เรื่องกำหนดเคลื่อนไหวจับมืนมาเป็นท้องอารมณ์มันจะต่างกันการเคลื่อนไหวของมือก็จะชัดแค่หนักหน่วงการเคลื่อนไหวของท้องก็จะเบาและละเอียด 3. ก็คือการใช้บริกรรมเข้าไปกำกับในการเคลื่อนไหว4ก็คือการยกทั้ง6ระดับหรือ2ระดับหรือสามระดับ4ระดับเนี่ยก็เหมือกับ้2คือย่างเหยียบที่งหนักมีเบาแต่เราก็ไม่ได้กำหนดถึงการอย่างเหยียบแต่กำหนดถึงการหนักกันเบาที่สัมผัส สีจุด5แทนที่จะนั่งอาสนะเดียวหรือบัลังเดียวนานๆแต่เราเปลเป่ยนไปเรื่อยๆทุกสานาทีหาทีโดยที่ไม่กำหนดที่ข้าว่าจะต้องขากวาทับขาซ้ายแต่นั่งในอิริบกิดใดก็ได้ขอแต่การตุบทนั่นในทีท่ห้านะแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าบัลลังก์ละเท่าไหร่ ว่าดังนี้ขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอันนีความแตกต่างของตัวตัวนั้นแต่ตัวนันเอาการกําลังของอีซีเขาบอว่าเราทนต่อตัวโฆษณาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอันนี้ความแตกต่างจุดที่5้าจุดที่6ก็คือการเคลื่อนไหวแทนที่เราจะต้องรับรู้กาเคลื่อนไหวรยเปอแต่รับรู้แค่ครึ่งเดียวแค่ห้และถ้า มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นว่าคิดอย่าเงี้ยเราก็จะเป็นบริกรรมมาคิดหนอจะง่วงเกิดขึ้นคุณโ้ก็ไม่ทันว่าหาวหนอทำหนอหาวเลยนะก็ที่มันจะหาวมันนึกในใจว่าหาวหนอหาวหนใแสใจว่าคุณไม่ใช่หนอพันแท้เนผลจะหนองพันถามกันแล้วมันจะนิ่เป็นหนองพันทางดังนั้นก็เลยให้รู้ว่ารู้ว่าง่วงรู้หาวไป เซตัวรู้ด้วยเองหาวแต่ว่าเราก็จะศึกษาเรียนรู้จากมันเือสาเหตุของการหาวมันจากอะไรสาเหตุของการง่วงมันจะหาวเกิดมาจากว่าเราเกรนมากไปแล้วหายใจสั้นลืมหายใจลึกพอหายใจสั้นแล้วาขาดอะไรเขาที่เย็นเนาะเขาไปเลี้ยงสมองพอสมองขาดที่เย็นก็เกิดอการหาวได้ง่วงติดตามมาเราก็จะวิเคราะห์วิเเหตุของมันของสิ่งนั้นโดยที่ไม่ไปกำหนดว่า ขาวนอนตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นจะตระหนกไม่ตระหไม่มีหัวนะเพราะมันถ้าเป็นระเบิดก็ระเบิดหนอนเนี่ยบ้านเราพังไปเรียบร้อยวันนั้นก็ไม่ต้ตาตตเราก็ระวังขั้งต่อไปว่าเออระเบิดมันเกิดอย่างไงคือวิธีาการแก้หาเหตุตอนนะที่เกิดแล้วแล้วไปแล้วก็หาพรามันที่ต้องเกิดอีกเราก็จะต้องระวังเหตุที่มันเกิดต่อไปนะอันนี้คือความแตกต่างของเหตุซึงด้วยกัน ที่ที่ทพอตัดรู้ได้นะทีนี้ในความแตกต่างเหล่านี้เราก็มาปรับง่ายๆก็คือมาปรับเป็นหนักเป็นเบาท่นั้นแหละโดยที่รู้เอาเรื่องของกำหนดหรื อ, อการบริกรรมการบรัรรงคับขั้นตอนรียทเวลาอะไรต่าเนี่ยออไปโดยให้เหลือเพียงความ รู้สึกเป็นเป็นกลางและสบายๆจะนั่งรีบทนไหนก็ได้แต่ที่ว่าจะใช้เวลากี่นาทีก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ร่างกายเราทนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอันนี้คือในส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติดูเหมือนง่ายแต่ยากยากทุกทุกเราไม่คุ้นเท่านเองแต่เมื่อใดเราคุ้นเคยนะ เราจะเปลี่ยนฐานนองมาเป็นแบบการเคลื่อนไหวแบบ น, นี้ได้เร็วขึ้นหลังจากคุ้นเคยแล้วเราจะไปไปไหวสถานเราดีแล้วแต่ว่ามันจะยุ่งยากเพราะมันมีอุปทานต่างกันอุปทานในในชุดต่างๆที่นูกครอบกรามาที่จะนําไปสู่ตัวฐานที่มันอุปทานน้อยลงโดยใช้ตัวสมานานเข้ามาแทนคาว่าอุปทานกับสมานานต่างกันงไร มีใครบอจา ย, ยที่บายสมคำนี้ได้บ้างกูไต่เขาว่าอุปทานกับสมถานต่างอะไรเงี้ยสมทานสมถานไม่ค่อยชัดเจนวันาาวนี้กูสมทานสีเนี่ยอ๋อค่ะก็สมถานน่าจะเป็นกา ร, รที่ตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งที่จะทำคมันเป็นสัมมาทิฏฐิอะค่ะ แล้วก็ถ้าอุปทานเนี่ยคงน่าจะเกิดมาจากความกังวลแล้วก็ทําเป็นสัญชาตญาณนะคะแต่ความกังวลที่มัน เ, เกิดขึ้นที่ใครจะเครียร์ได้มคุณพินิจว่าไสมบัติทางอุปทานไม่ชัดเลยจะหนูไปทำไนไม่คุ้นภาษาเดียหะ อุปทานกับสมาทานเนี่ยจะ ต, ตัวสมาทานโอเคคุณตายให้นิยามไว้ชัดเจนแต่อุปทานเนี่ยนิยามไม่ชัดประทานคือตามภาษาหรือว่าเข้าไปทายิดไวนะ้นีะลูกแก้วอ่ า, านะ <c oughs> ก็ใครแน่คือตอนแรกมันสมาทานก่อนน <c oughs> ะเมื่อก่อนวิธีจับลิงเพราะว่า ม, ามัจะไปยินไปอะไรมด น, นะ เขาใช้วิธีว่าเห็นว่าลิงมันหายกินอยู่ตรงไหนก็รารู้ที่ใส่ของลิงว่าลิงเนี้ยมันชอบหยิบ ก, กินนู่ที่ไปเรื่อยวิธีการก็เห็นลิงอยู่เลยนะเขาก็จะเอาเมล็เข้าเล็ดงานอะไรที่เป็นผลไม้เนี่ไปหวานไปแถวนั้นแล้วตอนต้มเต้าเต้านเต้านี่ปากจะกิ่วแล้วก็ เ, เ, เ, เ, เ, ลวกเล็ปกปัดเล็กปลูกมา เรากอนนั้นก็ปูคตัวกอยู่ประมาณนี้เะกเขาก็แต่งต้อก็ตัดให้กันรู้เล็กๆเขาก็น้ำเต้านี่ยใส่สายให้เต็มแต่ใกล้จะเต็มเนี่ยเขาก็เม็ดเม็ดพืชที่ริงชอบเนี่ยใส่เข้าไปเขาบนนะไม่ให้มันเต็มแล้วนั่นก็จะเอาเม็ถัวเม็ดยาหวานนี้คั่วให้มันหอมนะก็ให้ไปเกะจมูกลิงไงลิงเล็่ๆก็จะมากินกินกินแล้วร่าที่จมูกแล้ว มันก็สงสัยจริง <verstehen> มึงก็่สงสัยอยู่ท้าในมันก็มุดแอบเข้าไปเลยแล้วก็กำเป็นที่เลยกำเพรหลง็งานเสร็จแล้วมือเขาแบบเล็กๆใช่ไหมเม่อออกมามันโตเสร็จแล้วมันก็เลยตกใจตอนที่ไอคนที่ทำาก็แอบอยู่ข้างๆนั่นแหละพอเห็นดิงใส่ไปทำเสียงว่า่ังๆนะรีดตกยาทํามือกำาพชรถลวงเปงานที่มันจะได้นหละแล้วจะวิ่งหนี มันหนีไม่ได้นี่มันมันหนักมันห <c oughs> นักที่ขึ้นจนไมก็ไม่ไหวใช่ไหมตัวนี้มันมันกัวมันใหญ่เป็นสายเท่านั้นเอะนะเขาก็ไปจับเอามัาล้ออีกที่ทั้งใมือกำนั่นแทนที่มันปล่อยมันก็ไปได้เอันนี้ก็เรื่ออุปท า, านเราไปชอบวันไหนมาหักแล้วก็ไปยินะ้ดอันั้นว่าเนี่ยไิ้ดเลยคิดลืมปล่อยอ่ะใช่ไหมที่เราไปยิดว่า คนรักหรือขอเราเราดูปล่อยใช่ไหมหรือถ้าออกคนรักก็จถึงนนทุกวันในนี้ต้องดูแลก็อยากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นะใช่ไหมคุณแต่ใช่นี่คุณเสีวยวพีสายลิงว้าจะัดเลยงก็ป่วยไปตั้งนานนะเน้อ่ยแต่คุณก็ยังใครใครฉลาดกว่าใครแล้วลิงกับคนเห็นฟิสไเห็นที่รูปทานไหโอ้ นะและนั้นเรามาปฏิบัติเพื่ <c oughs> อที่จะเอา่ อ, อ, อยตังนั้นไนดะ้คิดว่าง่ายไหมไม่ง่ายนะแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวต้องรู่องจำแนนเะอันนี้อยากขอคืนดีไม่ค่อยให้เลยบางคนยังไม่ให้เลยนะี่ล่าบอกว่อปกอิดอไว้แล้วผมไม่ได้ดูหรอกมัไม่ได้เปิดเลยนะถึงผมรูเห็นจะกำทัวกำานาเดี๋ยวผมก็มไม่มไม่กำนั่นเลยนะ ผมก็ยังปล่อยได้กนะ็มีแน่นะถ้าหากว่าลี่มันหิวขึ้นมานะ <laughs> <laughs> เรื่องทีเป็นความริงที่หน้าอะไรดีนะหน้ามาัจจัด น, นะแต่ใช้ควาว่าหน้าเศร้านะ <laughs> <laughs> เราอุตส่าห์กัไวลหลายปีไม่ยอมปล่อยนะเะโดยเฉพาะคนที่ลูกหลานนาสะสบายพญาที่รักกันน้องมากจะทุกขนาดไหนก็ <c oughs> ยอมทาย <c oughs> เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ไข่น <c oughs> ขนาดนั้นเลยอุปทานชิดแดงว่าเป็นเรื่องอะไรที่บางอยา่างเนี่ยต้องเรียนรู้จรๆๆิงๆในเรื่องของความจริงเนี่ยแต่ว่าเมื่อเรียนรู้แล้วก็ยังดีกว่าที่ในชีวิตต่อไปเนี่ยเราจะฉลาดขึ้นกว่าเดิมนะเราจะในชีวิตนี้แน่ๆของคนมีปัญญายมากกว่าจะปล่อยกัน ไม่ใชปล่อยให้ที่งผัวที่เมียนะที่งลูกที่งเจ้าแต่คุณจะต้องไปยกระดับคุณธรรมเขาขึ้นมาให้คขายประธานบางทีเขากว่อยเขาเขาไม่ปล่อยเราอ่ะคุณก็สร้างกรรมนะคนณหนีเขาไปคุณก็ต้องไปยกระดับให้เขาเขาปล่อยเมือ่อไงคุณก็ไปรอให้เขาปล่อยตรงนี้คืองานยากอ่ะจะทําไงให้เขากลับมาเป็นสมาถาน เหมือนเราแล้วก็เราก็มีอุปทานนะต้าเปลี่ยนอุปทานให้เป็นสมาถานคือหมายพวามสมัครใจที่จะปล่อยมือแต่ถ้าหากว่าให้เขาปล่อยโดยไม่เติมใจเนี่ยก็ไม่ได้หรือไม่เต็มใจขออนุญาตให้คุณไปโหวตก็จกินแต่เขามันก็เต็มใจเท่าไรด้วยความบังคับเนี่ยนี้ไม่ใช่สมถานแล้วยังเป็นอุปทานด้วยมีทุกข์อยู่นะ แต่บางคนฉลาดนะยมบางคนโยงสมพรที่รู้สิ่งพ่ออยู่ที่ราชวกัรนี่เขาเปิดบ้านเขาสำหรับวิธีทุกวันนี้สามีเขาเนี่ยต้านทุกอย่างทัี่เข้ามาเพราะเขาเป็นคนลาวเนาะเขาก็ต้านคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยทําอะไรเขาเย็นชา ม, มากแบบสมัยนั้นนะขนาดเขาคนลาวก็มาอยู่ในแคมป์คนอพยพนี่นะก็แค่เดินทางไปต่อประเทศที่สามคนไทยไป็นสวมชื่ อ, ขอเขาเฉยเลย อันนี้คนเรายะได้ไปส่งคนไทยไวปเฉยเลยนะคนไทยมีอะไรบางอย่างที่ทำมาคนเราเพราะนั้นไปอยู่ที่ไหนที่คนเราเขาแค้นทีเดียวที่ยุโรปก็อยู่คนละประเทศแต่คนเราอย่างที่ฝรั่งเศสคนไทยไปอยู่เยอรมันนะถ้าคนไทยในเยอมันไปอยู่ฝรั่งเศสก็ต้องมารับใช้คนลาวพราคนเราวเป็นเจ้านายแต่คนราไปอยู่เยอรมันก็มาต้องใช้คนไทยนะนี่เห็นแล้วอุปทานมีคนรูนแรงมากเลยที่เขา มีสอักผ่นนิยมหลวง่อนียมันจะาปฏิบัติแบบเรานเพราเขาปฏิบัติธรรมนามานานม่ฤีธมีเดชมีโออะไรมากมายแต่พอมาเจอหงพ่อเขาฟังธรรมเขาเคยฟังเท็จพรากล่าวเนี่ยเอาเทศจหลพ่อเปเปิดรู้จักแต่เจ้าวาเปิดเโยมวันนี้ก็เป็นคนด่าเขาไปว่าด่าเขาฟังเคจหลงพ่อเก็ตเลยเอ๊ะงพอพูดถึงนิสัยชั่ติญา ว่าคนกับสัตว์เนี่ยมันไม่ไต่างกันงไของสัญชยตญาณสัญชาตญาณคนกับสัตว์เสมอกันสัญชยญายมีกี่ย่งสัญชยาตญามีกี่อย่งเราก็บ่อยนะสัญชาตญมันมีกี่ยคุณโอ้เคได้ยินมันพานน้องมานานสัญชยญายมีกี่อย่อคุณต้องรู้นะถ้าคุณไม่รู้สัญชาตญคุณจยเอาปัญญายาให้เนี่ย คุต้องเปลี่ยนตัวสัตย์ยานนะถ้เป็นปัญญาญาไม่ได้วิธีการนีสัยานมีหนึ่งการแสวงหาอาหารสัตว์มันก็แสวงหาหมตืมนต่นเช้ า, า, าก็มาโออิออกล่างเพหาอาหารเยอะน้องกันปลุก ก, นน ก, นกนันเช้าคนก็เหมือนกันตื่นเช้าก็ออกลวออกลไม่เชื่อไปนนงเทปรติกันออกลงมาโาติกนันถนนเพไปแสวงหาอาหารได้ แล้วก็อันที่สองอพอหาอาหารทั้งวันเสร็จแล้วกลับไปที่ไหนหกลับไปที่พักต้องการที่พักกอดทับดอนที่รวมรังบ้างทัากกันบ้าลงลถกระโดดกลับไปรังเมื่อก็ต้องกลับไปรูสาธีในกลวงก็กลับไปกลวงนะฮะกลับไปกลวง ลกลางกับไปน้าเนี่ยได้ดรับกัหาที่อยู่อาศัยนอกจากพอหมดพรารกิจเรื่องอาหารนะเป็นสายชัตเตียนโนคนที่สามเมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนนะใช่ตะลีตะลานกระเทีอนมีภัยเกิดภัยพิบัตินะ อ, ตตตอขึ้นทุดอย่างเวลาตะเข็บตัวเล็กๆวิ่ง ม, มาตรงนี้เลย แอ่ก็เจอกเลยนะ น, นี่นยังไม่ทันกัดเลยนะมักัดเลยอันนี้คือสัญญาณในการหนีไัยม้แต่สระเวลาเราเดินเข้าไปใกล้มันนกมไปหนีเลยใช่ไมทั้งห้ายก็ไม่ได้ทาอะไรมาหรอนะหรือใครเข้ามาที่นสะพายปืนหน้าหนวดเข้าบุพังสไวยปืนมายินตรงนี้เป็นไงพวกคุณทั้งหลายเนี่ยลบแอบเสา ก, ก่อ น, นแล้วหรือนะไม่รู้พวกก่อการร้ายก็มาเข้ามาที่นี่หรืะเปล่านั่นสัญญาณไวมากเลย ดนะังนั้นเราก็ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองโดยเฉพาะอย่ายี่คุณกรุงเทพนั่นนิสัยมากเลยชั้นที่หนึ่งประตูชั้นที่สองกระจกชั้นที่สามมุ้งลวดชั้นที่สี่เหล็กดัดเป็นคุกเลยในสี่ชั้นนะั่นนะโอ้โห ป, ป้องกันอะไรชันนปปนนปป้นเลยเด็กดัดป้องกันคนอยู่ป้องกันอะไมุ้งลวดกระจกปก้องกันอากาศ ร, ร้อนหนาว ประดูวกับนั่นแหละสะสมร้ายผู้คนน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญชาญาณในการมีีภัยและกลัวภัยเนยกินลึกมากเลยแล้วสัญชาญาณที่สี่คุณโอคุณต้องจัขไดนะ้อันที่ท้ายสามันก็ตอบได้นะสุดท้ายคุณต้องหาให้เจ อ, อเพราะฉะนั้นเองเราเกิดมาแล้วเรารู้สึกรักตัว แต่เรากลัวตายใช่ไหมรับตัวร้อนรับตัวกลัยตัวเองจะว้าเวีตัวเองจะไม่มีที่พึ่งเนะ่ต้องไปค้ายสบีหาเมื่อเสบียงหาอาหารก็ต้องเสบียงหาเงินทองอีกสัตว์ที่มันเสบียงหาแล้วก็จบใช่ไหมแล้วก็สืบพันเสบงหาเงินหาทองหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อสืบพันความรักของตัวเอง ให้มีหลักประกันเพื่อตัวเราเอีกอันเป็นที่รักหนึ่งยัง ไ, ไงเวลามันตายไปเนี่ยเราจะ อ, อยากจะอยู่ต่อแต่มันจะอยู่ต่อในร่างนี้ไม่ได้<ม>ใช่ไหมก็จะต้องเอาร่างนี้ไปฝากที่ไหนต้องไปฝากกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมให้คนหนึ่งก็งอถอดดีเอ็ของเราเนี่ยไปให้กับอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะสืบทอดสัญชาตญาณหรือเขาาขันของเราเนี่ยเราก็เป็นมรดกใช่ไหม มรูปสายชคทแยนของพ่อไม่ให้เราเราก็มานั่งโดยนี้เราก็ถอดคุณถอดดีเอให้ใครอื่นได้ยังหลวงพ่อยไม่ได้ถอดเลยไหมฉะนั้นแต่พ่อใช้ทอดดีที่เป็นนามธรรมคือธรรมะดีนะที่ถอดให้ทุกคนเลยนะได้ทุกคนเลย <c oughs> เราก็รับสิ่งทอดด n เ A ของพระเจ้ามาที่ <c oughs> <c oughs> ทางจิตวิญญาณก็ <c oughs> คือตัวรู้ตื่นเปลืกันนี้เป็นอินจรงของ อันเป็นประวัติเดียดเอที่เป็นสมมูติหรือเป็นรูปเนี่ยมันอยู่ในภายใต้กฎของอะไรไตรากใช่ไหมมันต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงแต่พุทธเจ้าเห็นว่ามันไม่ไม่สสเสถียรไม่เที่ยงแ ป, ปรเปลวนเปลี่ยนไม่ได้เกิดทุกข์ไม่จบเพราะฉะนั้นเลยถอดเอาดีเอเดินั่นออกเปลี่ยนดีเอเป็นตัวประวัติทีดีเออีดีเอทีออ่เขายรียกวากอะไรคุณแซนดี From where the root of d a a From where DNA b r e a t h Yeah, is how is The short form of what? Yeah. Dehydrated? What's that? So h e a t o n h Make a r o u please. t yet. Not yet. Ah, di. Ah, nana. Router. Sap. Not o พอัวยึดตัเกิดคืนแล้วแบบนีเห็นไหยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องมาเปลี่ยนดีของตัวเองให้ได้แทนที่ดีอนี่จะเป็นดีอันกิจากความรักในสมุติรักในสิ่งที่เป็นตัวตนเห็นไหมให้กลับมาเป็นตัวรักในอะไรในสัจธรรม ในศรษฐที่เทียเท่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าปรมาธรรมเปลี่ยนดีเอที่เป็นสมมุติธรรมให้เป็นปรมาธรรมแซนดี mm ้เว่ย e ี i น่าสนใจเอาสมคิดแคนทランスเดทในไรเว้ยน่าเล n ้เลยไม่สนน e so I need to translate it you, you need to h a น e your uh, Suppose o r material or gene DNA to be ultimate DNA, because you know, i gene DNA, depends on the law of nature, it's changing, suffering, and has way you need to uh, be circulate, or circulation, life circulation of birth and death for many thousand years. So you need to end your suffering by observing. a t t i b u t e D A D ห the a t t i b u uh, t e of practice meditation generate the a t t i b u t e D A understand it makes sense okay <laughs> you get the right understanding now <laughs> อันนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องการสิ้พทอเผาพังเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันสุดท้ายเรายอมตายก็ยอมนะขอให้ คนนั้นไป็นกีฬาของเรารอดก็นแ้ขอให้ผมตายแทนคุณได้ไหมใ น, น, นไหมคุณโอคุณยังไม่เคยพูดคำนี้กับใครเลยใช่ไหมคุณคูดคำนี้กีบไทยคุณก็จะไม่เป็นอย่างนี้คุณจะไม่เป็นอนาคาริเก้อเนีน่แต่คุณนี่เราก็เลยว่าอันพิเศษเราีะแสดงความดีๆกับคุณโอที่เคยยังสามารถรักษาความส่ว ไ, ได้อย่างยั่งยืงยง น, นขอให้อาอยู่รทด์ปลอดภัยกัน แ, แล้วนะคุณโอ เช่นเรื่องนีงน้เป็นเรื่องที่ที่คนเข้าใจได้ว่าเมื่อสัญชาติญาณสี่อย่างเนี่ยพ่ออุปทานสีอย่างพ่อมีอุปทานสัญชาติญาณมันจะเกิดมาแต่ตัวสัญชาติญาณทั้สี่อย่างมันขอให้เกิดกิเลสสามตัวสัญชาตญาณในการเสาะหาที่อยู่เป็นตัวไหนโเป็นโลเป็นโคนเป็นโคลเป็นโลก สัญชาตญาณในการก็รการหลับนอนและที่อยู่อาศัยทําให้เกิดอะไรเป็นเกตัวไหนดูให้ดีนนะคุณพี่จะนับไปวันไปวันก็ได้แตนะ่เดียนะ๋ดวยนะวคนะุณเจนะนะ <c oughs> อันที่สามสัญชาตญาณในการหนีภัยก็ให้เกิดความโมหะอ่ะโโาโทสะใช่ไหมเพราะ กัวมาจากโกรธอะใช่ไหมลองกลัวมานจะโกรธมันจะต้องมีรู้แล้วสัญชาติการในการสืบพันเผ่าพันธุ์ของตัวเองท <ละ S 1> าให้เกิอดอ<ล>ะไรเปสาเหตุขอความ<ะ>ความรักแล ะ, ละเป็นความราคะเป็นความชอบ <ละ S 2> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาละเราสืบปทิยาอันเดียวได้หมดเลยไปครบหนก็ได้กั น, กนสัญญาในการแสวงหารต้องการให้ตัวเองอยู่ชีวิตอยู่รอดใช่ไหม คิด ว, ว่าคือว่าอ่าเป็นอะไรเพราะนั้นเราได้ด้ความอยากหรือความโลภในใจก็กับการสุ ข, ขนะไรเป็นตัวของราคาแน่นอนใช่ไหมอีสองตัวหายากไหมหลังจนนากการหลับนอนเป็นโ ม, โมหะหังชายังมีภัยเป็นโทสะเพราะนั้นตัวโลภหรือตัวราคามันถึงดูแดงเพราะมันมีสองสายชัดเจมาบวกกัน ร ะ, ระหว่างรัการสอนหาอาหารได้สิบพันก่อให้เกิดตัวชอบเวลาพัรักษาชีวิตนี้อย่างรุแรงเพราะนั้นมันดึงถอดยากมากถ้าจะว่าไปเนี่ยสัญชาตญาณตัวสองตัวเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดโลภและโทสะด้วยซ้ำไปถ้าจัดการเรื่องราคาได้เรื่องเดียวเนี่ยโทสะและโมหะแทบจะไม่ต้องการจัดการอะไรกับมันเลยใช่ไหมถ้าคุณไม่มีความรักเนี่ยความชังมันจะมาได้ไหม mm hmm. ใช่ไหมเออ ถ้าไม่มีความคุณไม่มีความรักความโกรธความเปลี่ยนจะจะมาได้ไมความโกรธเปียนความรักเราไม่ถูกตอบสนองคุณที่กรธเปียกใช่ไหมถ้าคุณเอาความรักออกโกรเก็ดมันก็ไม่เกิดเขาเกิดเกินไม่เกิดโมหะเกิดไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือแรงมากเลยโดยสัจจะเรียนในการรับตัวรับประมาณสี่พันเนี่ยเราทั้งหลายจึงตกอยู่ในบ่วงนี้ไง ผู้ที่เจ้า่านเห็นห่วง ท, ที่สองแล้วคุณนีดีกว่าหนั้นนคืนเลยนะนนไมได้หนีธรรมดาไนดะ้ห อ, อกเาถ้าคุนีโอ้โหมันเป็นคุณรูปรการมหาศาลนี่เหละ ก, การตัดสินใจของท่านนะา่นั้นเลยจะไม่มีรู้จักไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเองจนป่นานนี้เลยนะใช่ไแต่ด้วยการตัดสินใจของท่าน จ, าจะจะถูกลูผีกรนะทำแต่มันเป็นประโยชน์มหาศาลตดยสัตว์สัตวโลกนะนะ ถโดนปวกที่หนึ่งแล้วโอ้โหจนบวกที่หนึ่งคความนักในทิพย์ฐานใช่ไหมวดแล้วคุณเกิดมาเนี่ยชื่อเวลาคุณรับผมว่าปวงพุกนี้คือวเกิดเมื่อปวดแรกคุณไม่ยอมหนีเหมือนุ้ี่เจ้วะคุณก็สร้างปวดที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมารับทันสาวเลยใช่ไหมปวที่หนึ่งรัดคอ ทางอสานว่าเชื่อกผูกคออยู่มั้งปอผูกศอกบปอกใส่ท้าสามบ่วงเลยเนะี่ยเชื่อกผู่คอนี่คืออะไรลูกอย่างั้ปอผูกศอภรรยาทจำเป็นราทำงานเหมือนที่เขาใช้แต่ว <c> ป <oughs> อกปอกสุดเท้าไปซักผุบัิไปไหนก็ได้ห่วงว่ามีสุนัขตัวหนึ่งก็เนี่ยผมจะกลับไปบ้านเพอ ผมแล้วผมไม่ได้กินอาหารบวกเลยสร้างบวงกขึ้นมาได้่อยไม่จำเป็นนะนะแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะทรัพย์สินสมบัติห้างร้านกิจการธุรกิจแต่ผมมาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันผมธุรกิจผมเสียหายแน่นอนนะบวลกวนนะบวล็อกเอาไว้นเนี่ผมมารยาให้มาสามวันเท่านั้นนะบ่วมล็อกอาไว้สำคัญมากเลยทนะี่สัญชตาตญาณนั้นกิเลสทั้งสามตัวเนี่ยถ้าจะสงเคราะห์เข้าใน เอวเวทนาสามเวทนาสามผู native, ie, to, ้รู้มีสัตมีอะไรบ้างนะเวทนาพอใจไม่พอใจแล้วก็เสียใจเพราะ้นเวทนาพอใจนี่เป็นชัดชัดย่าตัวไหนอตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่ใช่ไหมพอใจไม่พอใจก็ตัวที่สองแล้วตัวที่สามคือหนีภัยกลัวกลัวใครแล้วก็สัญญา เฉยๆผีหลับไหลก็เป็นสัญชาตญาณตัวที่2องคือต้องการที่อยู่หลับนอนสถาบันพรก่อนหลับนอนเพราะฉะนั้นทุกมาจากเวทนาทั้งสนั่นเองเพราะดังเวนเวทนาทั้งสามก่อให้เกิดตัวสัญชาตญาณระหว่างสัญชาตญาณกับเวทนาอันไหนขอให้เกิดอันไหนว่าสัญชาตญาณขอให้เกิดเวทนา3มหรือเวทนาทังสาอให้เกิดสัญชาตญาณ4อันไหนเป็นเหตกิดอันไหนแส้ี่ You you know between instinct energy and feeling energy, which one it can generate each other? The feeling, the three feeling, feeling you have the three feeling n right? a happy feeling, unhappy feeling, and it's different different feeling or central feeling. Which one is the hard the all instinct power? We have four kinds of i s t i n g okay? The first one, i s t i n g of eating food, looking for the food. I a r e looking looking for the food for uh, you are o u m a y b e i n looking for the food, okay? The first one, second one, i s t i n g of shelter. s h uh, e l d e r yeah, need the shelter, need the housing, need the sleeping, need the resting, okay? The third one, the instinct of the safety. escape from the gen, gen, generous thing, escape from the something. Else. Yeah, s a y safety, safety. safety. safety. safety. h uh, escape from anything will harm you and uh, danger you. You need safety. to stay, stay far from that. Stay. Safety. Yeah, safety first. Safety, safety or uh, security. Security. Yeah, you need security, and the last one, i s t h i n c t of, what, <laughs> sensuality, <laughs> or sexual sexuality. need, yeah, sexual need, or you want to uh, continue your generation. Yeah, that therefore, therefore t h uh, instinct or you uh, need to observe, you t h e r f o w you r uh, you are dominated by h a b i t a t e d energy yeah that h a b i t a t e d energy dominate you you need to follow the the easy okay นั้นถ้าหากว่าเราสามารถเข้าใจได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมารู้ต้นเหตุของมันว่าตัวเวทั้งหน้าทั้งสามทำให้เกิดสัญชาตญาณทั้งสี่แทนที่เราจะไประวังที่สัญชาตญาณเราจึงมาระวังที่เวทนาทั้งสามง่ายกว่า พ่อมันมีแค่สานะก็สัมผัสได้ตรอดเวลาแต่สัญชาตญาณเป็นผลของเวทนาทั้ง3ามันนั้นเวลาเราปฏิบัติทีเราสัมผัสหนักสัมผัสเบาสัมัสเป็นกลางสัมผัสเบาทําให้เกิดสุกเวทนาสัมผัสที่เบาหวานใช่ไหมสัมผัสที่หนักและหยาบก็ให้เกิดทุกขเวทนาสัมผัสที่ยังไม่ชัดเจนเป็นกลางก็ให้เกิด อาทุกข์ก็มาสุขเวทนาคือยังไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันนะเป็นเป็นการคือสบายบทนได้สุขเวทนาทนได้ง่ายทุกขเวทนาทนได้ยากอาทุกขก็สุกเวทนาไม่ต้องทนพอทนมก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องทนพราะชีวิตนี้มันต้องทนอยู่แล้วนะแต่เราแค่ก็พอทนกันแนะ้วกันพอทนได้เพราะชีวิตของเรามันต้องทนนั่งยนะู่แน่นทนบางหมู่โคชมผมไม่ใช่เบื่ออะไรใช่ไหมไม่ไหหมู่โคจะจบสักทีไปจะกลับบ้านกลับไปนอนทิ้ มันจะเกิดด้วยธารมข้อบุตรอยู่ในใจใช่ไหมนั่นหมายความว่ามันเกิดะนะความทวนมันก็เกิแต่ว่าด้วยสัจธรรมที่เราต้องการมีค่ากว่าใช่ไหมก็ทวนฟังกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะาป็ประโยชน์อันนี้คือคือการทำใจนะว่ามันก็เกิดจากเวทนาทั้งาสามซุขเวทนาก่อให้เกิดสัจจียาณในการสวดงานหารเนี่ยสีพัน อุปคุเวทนาเป็นสัญญาณในการหนีภัยแล้วก็อทุกคมาสุขเวทนาเป็นสัญญาณในการต้องการที่อยู่และการหลับนอนเป็นโมหะดังนั้นเองก็เมื่อรู้ที่ไปที่มามันก็ง่ายขึ้นในการที่ปฏิบัติคอยดูแลสันทัศนญญ า, าคอยดูแลเวทนาทั้งสามไม่ให้เกิดเท่านั้นเองถ้าเวทนาทั้งสามมันเกิดเราก็ตอบสนองมันใช่ไหมมันก็จะไปทําให้เรายึด ก็คิดหาสิ่งแบบนะั้นแต่เราจาเป็นจะต้องแสวงหาหารอย่างไรที่จะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้า ม, มีสัญชัตาแลราก็เปลี่ยนสัญชัตญาให้เป็นปัญญาญาณโดยการแสวงหารแต่พอดีเท่าที่ร่างกายที่เป็นประโยชน์ตอบสนองต่อความหิวอันนี้เป็นปัญญาญาณละแต่คนส่วนใหญ่ตอบสนองต่อความหิวด้วยความอยาก ยอมราความจริงนะ ม, ร, ม ร, บบนะรับว่าที่ขึ้นมาบ้านแล้วคนส่วนใหญ่ตอสนองต่อความอยากถ้าต่อสนองคก็อยู่นังเป็นธรรมถ้าตอสนองต่อความอยากเป็นอาธรรมเพราะฉะนั้นในชีวิตเราได้อยู่ด้วยธรรมะหรืออาธรรมยอมเ่ารับ <laughs> ยอมรอบเสียทีดีอยู่ด้วยอาธรรมมันจิงเป็นทุกข์ใช่ไหมดัง <c oughs> นั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบสนองธรรมะคือ เราจะถานเมื่อหิวถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องทานนะเดีท่านบอกไม่ต้องกวให้หิวผมป้องกันไว้ก่อนก็ได้เพื่อควปลอดภัยนะฮะอันนี้ใครพูดเราพูดหรือกิเองพูดทีนเองพูดเข้าทุกดอกหรือว่าจตัวไหนก็เข้าอะไรอย่างนงี้ยนะฮะดังนั้นเมื่อเปอย่างนี้ เราจะเปลี่ยนสัญชตาตญาณในการสวังหารานด้วยการใช้สูตรที่จะขอโคชเนมัตตายุตาไม่เอาโคชเนมัตตายุตุไม่ได้ขอเสียก่อนเอาโคชเนมัตตายุตุเอาฟูมเป็นประมาณเนื่คุณไปทำความอยากแน่นอนแต่โภชเนมัตตายุตาเอาทำมาเป็นประมาณเอาทำเป็นทำ ว่เป็นอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนครับอัจฉริยะที่ห่งถูกเปลี่ยนด้วยกันรู้จักประมาณในการบริโภคใช่ไหมตอบสนองความอยิวไม่อยากกินเมื่อหิวไม่ได้กินเมื่ออยากแต่ของทุกวันน่ยมันรลาะให้อยากหรือเลาะให้หิวโอ้โหมองเรนะื่องนั้นนี่จะของจกินตั่นเลยที่กูออกอจากนี้ไปกูก็เจอแนละ้ววางอยู่ลา ย, าลายทางปลายทางคุณหยิบกินได้ตลอดถ้าเกิดนี่เป็นไปถึงข้องคุณเลยใช่ไหมนี่คือความยากของยุคปัจจุบันในการปฏิบัติธรรม เพราะวัตถุต่อสลองครรมอยกมันทานระดาบไปหมดอ่ะมันมีทุกคนทุกแห่ ง, งนะค น, นไหมจะคนจะเอาหน้าทมันไหมย า, ยากเลยยากมากเลยอานะเอาละที่นี่สัญชาตยาณในการดับนอนและหาที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนจากสัญชาต ญ, ญาณให้เป็นปัญญาญาได้ยังไงเดี๋ยวยังไม่จบขอแรก <laughs> <laughs> ถ้าอ่า คุทํากับนกเนี่ยมันจะรักษาได้ดีถึงว่านกเนี่ยไปสวนไปกินลูกองุ่วนะเอีลูกก็พ่วงใช่ไหมมันหวานมากเลยฉันจะเอาไปที่หลังว่าฉันจะสองลูกกันนะวะนกแล้วมันไปไหวนะมไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วมันไปไม่ถึงหลังเน่ๆมันถูกยิงตายแล้วก็มันจะต้องอยู่กับไอ้ลูกแล้วแบนั้นะ แค่มันกินอิ่มแล้วใช่ไหมว่ากับรางของมันแล้วมันทำหลายลังไม่นกอ่ะน <c oughs> ังเดียวแต่เราทำกี่ลาง <c oughs> คุณโอคุณวิว่ากี่าคอโห <c oughs> ลังเดียวนะแน่ใจนะ อ, อยู่นี่หลวงพอเห็นด้วยนะนนนะนนสิบสี่รงลไปมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่หฮ่าฮ่านนาฮ่าาาาา แต่ที่นอนก็เรามันกว้างกี่สแควร์ฟุตทีเดียวฟุตกว้างใช่ไหมแปดยาไม่เกินแดฟุตใช่ไหมกว้างก็ไม่เกินไ <laughs> ม, ม, ม่ถึงสองฟุตเดิเพราะว่านะแค่สองฟุตอะแต่ว่าเรามันกนี่สแควร์ฟุตว่าแต่ละหลังบางหลัไปหมืม่นสแควร์ฟุตนะเดี๋ยวว่าตัดพันนะแต่เราต้องการเพียงแค่เหล็กเลขตัวเดียวนะตัวเราเนี่ยแต่เวลาไปสร้างมันเลขทั้งหลายตัวนะอันนั้นคือ สัญญาณในความไม่รู้วุฒิธรรมว่ไม่รู้ประมาณแล้วนะสัญชาติญาณในการหนีภัยจะเปลี่ยนให้เป็นปรญยาญาได้ยางไงเมื่อภัยเกิดขึ้นเราก็คือทำางไงแทะที่จะวิ่งหนีเราทำยังไงอันนี้คือวิจิการเรียกคือต้องพิจารณาในการแสวงหาอาหารบริโภคอาหารหนึ่งแบบ มีภัยก็มันต่มีภัยขึ้นมาแล้วก็ดูก่อนดูก่อนว่ามันจะเป็นภันยจริงหรือเปล่าถ้าเป็นภัยเราก็ต้องหาวิธีให้มันปลอดภัยใช่ะถ้ามันปลอดให้ภัยมันปลอดทําให้ปลอดภัยทําให้ปลอดภัยแต่ยังให้เสี่ยงภัยอยนนะีส่วนใหญ่ถ้าขับรถรถเสี่ยงภัยไม่เคยปลอดภัย<ม>นั่นเองในในส่วนเนี่ยความกลัว ต้เกิดความกลัวก็เกิดจากความที่เร า, อาขอให้เกิดความกลัวความกไม่ชอบไม่ชอบใจก็ชอบออรอเราอะไรเพอยากสมมุติว่าเราอยากจะถึงบ้านไวๆนะแทนที่จะขับรถสักหกชั่วโมงจะถึงเราขับแค่สี่ชั่วโมงก็ก็ อ, อยากจะถึงบ้านเลยความอยากพรความอยากก็เราเลยทําให้เกิดความเสี่ยง ในที่สุดควาเสี่ยงตัวหลายครั้งคุณอาจจะรอดจากความเสี่ยงนี้สัก5าครั้งครั้งที่หอาจจะไม่ใช่ก็จะเป็นอ c ซิเหตอะไรอี้แล้วตายเพราะสัญชาต่ยาตัวนั้นกลัวว่าจะถึงบ้านช้าไปกลัวว่ารถจะติตรงนี้บุงคนนะั้นหลองพ่อต้องไปถึงสนามบินก่อนสองชั่วโมงนะแล้วรถจะติอีกหลายชั่วโมงเลยหลวพ่อจะทำไงคุณต้องรีบบอกนะโอเสียาการสินนานหดเลยพ่อมไม่ต้อง พ็อคุณว่าสองชั่วโมงหลวงพ่อวีแค่ไปถึงชุ่วโมงลงพอถึงเลยนะมันเสียงนะมันเป็นไรวคุณคิดไปเองหลงอก็กลัวเขาไม่เชื่อห่าเออถ้าไปเทวราก็แตกทางให้เรียบร้อยคุณไปดูมั่งก็ต้องแก้ประทานก็หลายอย่างเพราะไมเชื่อนัพอเราไปจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีรถอะไรมันติดนะนั้นไม่จะเห็นว่าสัญชาติยาของเรียกคองำเาบ้างทีเดียวแต่ไม่ต้องทำนะและสัรชาติาการสืบพัน เราไม่อยากจะสิบพันก็คือเห็นโทษเห็นโทษทุกมันโอว่าเจ้าก็ไม่ได้เราออกมาที่เรโอพโหก็เทุกข์กับเราตลอดเลยถ้าพระธรรมหากินต้องแก่ต้องเท่ากัานไปดูแลแล้วเราก็จะต้องไปทุกข์อย่างนั้นอีกเมื่อเห็นตัวอย่างเห็นเทวดาทูตเตอเือนแล้วขนาดนั้นคุณก็ยังไม่ได้สติเนี่ยคุณก็สมควรที่เดียวท่ากําแล้วเพราะถ้าก็โยมมาทูตก็จะถามคุณเห็นคนเกินไหมเห็นแล้วคุณคิดยังไง ก็ไม่คิดว่าอะไรเลยผมก็แก่เกิดกันนั้นบ้างนะมาเห็นคนแก่ไหมก็เห็นถ้าคุณคิดว่าไงผมก็ไม่ได้คิดเลยคุณคิดว่าเมือ่อฉันจะแก่แบบนี้วันหนึ่งัจะต้องรีบทําอะไรให้มันเป็นบุญกุศลเพื่อเดินทางต่อไปข้างหน้าก็าจะมีบุญกุศลไปเกิดในที่สบายหรือรีบทําดีคุณคิดอย่างนี้ไหมไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเวลาเห็นคนแก่แล้วผม ค, คิดนะว่าวันหนึ่งคุจะเออเห็นคนเจ็บ วันนึงคุณจะเจ็บไปที่ไปนหรอเวลาเจ็บคุณทำอะไรไม่ได้เนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจ็บฉันต้องรีบทำอะไรใชอย่างให้มันดีที่สุดเมื่อเจ็บไปแล้วอาจจะมีโอกาสให้กลับมาเป็นปกติคิดอย่างนี้ไหมรีบทำดีนะต้องไม่ได้คิงนี่เคยคิดเออเรื่องก็าใครเข้ามันู้ใครหัวมันเมียมันก็ไปดูแลอะไรเงันยเรื่องของฉันนั่นนะก็ไม่ได้เกิดอันนี้มึงไงกูเคยเห็นคนตายมึงไปส่งสบ่อยเลยไปทุกทีเลยนะไป แต่ภพอิศม์เนี่ยคุณคิดมาเมื่อวันนึงคุณตายแบบนี้ก็ไม่ได้คิดคุณไม่เคยคิดว่าหรือว่าเมื่อคุณตายไปแล้วเนคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยแลคุณจะต้องไปจุติในภพวชาติใหม่แล้วคุณจะอะไรเป็นเสบียงในการเกิดคุณรู้ไหมคุณจะได้เกิดทีนไหนก็ไม่รู้ดังนั้นก่อนคุณจะตายคุณจะต้องทําให้ชัดเจนว่าคุณจะไปเกิดที่ไหนตายไปแล้วจะเป็นอะไรชีวิตที่ไปข้างหน้าเป็นอะไตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยคุณต้องรู้ก่อน แต่คุณไม่รู้เลยเนี่ยไปคุณไปทําอะไรอยู่นะต่ตัดสินไปโยนนรกเพราะฉะนั้นเดียวพระบาลก็ไม่ได้ให้เราไปในนรกง่ายๆหรอกนะเขาจะต้องสัมภาษณ์เราหลายเรื่องทีเดียวละก่อนที่เขาจะตัดสินเนี่นะเหมือนไดไปผ่านศาลนะเขาสอบแล้วสอบอีกเตือนอีกรู้ก่อนบุรุษสุภาพท่านสุภาพบุรุษโยมวันเขางดีมากเลยนะเขาเป็นเจตแมนเจตแมนแล้วก็สภาพที่ที่สุภาพมากๆเลยเนี่ย เขาออนม อ, อนแล้วให้เลือ่อนลึกที่คุณเคยอะไรบองทีดีเนี่ยเคยทำอะไรบางเลื่นลึกแล้วนกเลื่อลึ ก, ลลกออกนะสมโฟแล้วคุณตรงนั้นในที่สุดแต่สิงดำเนี่ยอันนี้ผมจะไปเห็นผัวเบียทะเลาะกันคุณเคยคิดไหวันหนึ่งเวลาคุณไปมีครอบครัวคุณจะทะเลาะกันแบบนี้แก็ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันแต่เวลาผมปีผมอาจจะไม่ทะเลาะแบบนี้ก็ได้นีมันก็ไปรเรืเอยนะแต่คุณคิดมั้ยว่าเวลาคุณแต่งงานแล้ว เกิดคุณเจ็บป่วยคุณทางเงินให้ครอบครัวไม่ได้อีกฝ่ายถึงเขาไปมีแฟนใหม่เนี่ยเขาอิกนกันตายก็เลยเนี่ยคุณรู้ไหมโมงวันนึงคุณจะเป็นแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดมากนักวันนึงคุณเกิดอวดีเหตุคุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้หมาอีกฝ่ายหนึเขาไปทุกข์เขาก็หนีทิ้งคุณไว้โดยที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอย่างนี้มั่นใจโอ้หลวงพ่อในอ่านก็คิดมากเลย แต่ไม่ไม่กล้ามีแต่งงานได้ทีนี้คิดหลายวิธีมากๆเาทั้งคนคิดมากๆเลไม่ได้แต่งงานนอะมึงสายบุญโอคิดว่ามันพ่อย์เลย้แต่งงานเพราะป่านนี้นะก็จะไปแต่งกันเนะบวชเข้าไปก็จะเจ้าว่าที่นี้สร้างวัดที่นี่เลยบุญโอพ่อยจะได้มาปฏิบัติกับที่นี่นะทางที่นี่เป็นบ้านพี่น้องก้อนบุญธนาไม่แน่นะเนาะมาสร้างบุญกุศลช่วยบุญโอ ดัง น, นั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นเรื่องที่เราเอาไปพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องจริงเทะนะ่านั้นมันเชื่อเรื่องโจกเร้งจริงในนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยเราก็ให้เราไปพิจารณาว่ามันมันเป็นความิที่เราต้องยอมรับแต่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ดีแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะไปโทษผู้อื่นไม่ได้นะเพราะเราจะเห็นว่าพระเจ้าออก่อปวดเพราะเห็นเทวดทูกทั้งสี่ใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ได้คิดในเมื่อเห็นสิ่งเกียเราไม่ได้คิดเทวทูตมันจะกลายเป็นอะไรมมเป็นโยมกระทู่พ <c oughs> าเราไปในทางที่ไม่ดีและโยมกระทู่นี่นะมมาพาให้เราไปทางดีเทวทูตมีเกี่ย่างอร์มีอะไรบ้างหนึ่งแก่สองเจ็บสามตายสี่ส ออกบัวอะไรออกบัวได้ยังไงคุณก็พูดใเป็นรูปธรรมเลยเห็นคนแก่ไม่ใช่เห็นแก่เนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะอเห็นคนแก่ก่อนเราต้องแก่แบบนี้ท่านตัก็เคยเห็ที่ว่านะเราก็ต้องแก่แบบที่คนแก่ที่ไม่น่าดูเลยนะแต่ตอนที่เป็นหนุ่มรินสาวทั้งรู้อะไรพวหน่าเห็นและก็น่ารัก น่าดูแต่ว่าคนแก่ไม่น่าดูเลยเข้าไปใกล้ก็มีกลิ่นแล้วก็ดูแล้วผมหงอกฟันหักตัวแรงแล้วก็ดูแล้วกระดูกกระเดี่ยวก็ผมก็มองนะเห็นแล้วเกิดสลดเอวันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนี้ไหมน่ไหมนะว่าชนาพระเจ้าเจะถามคนรถของท่านถามเชฟเฟอร์ของท่านอันน่าจะเป็นอย่างนี้โอ้ต้องเป็นแน่นอนท่านโอ้ยังั้นกูไปเอาละเอาไปไปดีดีเลย ไปเจอคนเจ็บนอนที่เจ็บป่วยคนขางขอยู่ข้างถนอนอันนี้ใครคนเจ็บเนี่อ้าววันหนึ่งฉัจะต้องเป็นอย่างนี้นต้องเป็นอย่างนี้แหละโอ้ตายาแล้วไม่ออกแล้วปรเดี๋คนตายยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้ววานหนึ่งฉันก็จะตายแบบนี้เหมือนกันที่เลยเป็นน่วยเห็นพระท่ำปฏิบัติแต่โดยม่บริกรมรมมาโนใหโอ้ที่เขาท่าดีนะคนคนนี้ใช้ชีวิตอย่างไรกระทำ เอาคนที่เป็นคนออกบทไม่เกี่ยวข้องบริการเอามาหาเินไม่เกี่ยวข้องเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวข้องมต้องการงา น, นีแต่ว่าบทเพื่อส่วนพาะความาสมุขทางจิตวิญญาณเพราะร่งางกายนี้วันหนึ่งมันต้องทิ้งไปแต่ว่าจิตวิญญาเป็นมันทิ้งไปไม่ได้มันจะต้องไปสู่มารของมันเพราะมันเป็นนามธรรมมันไม่สลายมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เป็นแรงจากถ้ามันหมดกรรมหมดเวรหมดตันหาประทนและเป็นวิญญาณบริสุทธิ์มันก็เรียกว่าญาณญาณคนนี้เป็นาการเป็นพลังของคุณนำความดีอยู่กับโลกและผูน้นำความดีที่ใครจะนำไปปฏิบัติคนนั้นก็จะเป็นผู้พ้นจากการเว้นวันแต่เกิดอื่นเท่านั้นฉันเอาไปทำที่ที่ฝาสุงกับบ้าน <laughs> กลับบ้านเข้ามาส่งข่าว พระราชาบุดเกิดแล้วเจ้าข้ามนะันเด้อนีนนนน่เขาไปเปิดดูเอาเกิดจริงๆงั้นกุไฟกร น, นะ <c oughs> ออกก็คืนเลยนะครับอก็คืนแป้งฉนหน้าเอามาต่อไปเห็นไหมอันที่คือคือการเห็นเทวดาทูตก็เกิสดสรุปใจเรียกว่าเทวทูตถ้าเห็นแล้วไม่เกิสดสรุใจสิ่งที่เราเห็นก็พกก็เป็นยมทูต น, นะและเจโ้าไทยก็ต้องเปลี่ยนความเห็นนะ เปล่นความเห็นของเราว่าทุกสิ่งที่เราพบเห็นต้องนํามาพิจารณาแต่เอ๊หลวงพ่อบอกว่าเวลาเห็นสัตวว่าเห็นนะให้เฉยเฉอย่าไปพิจารณาก็เจะยังไงกันได้สอบสวนะอ้ามใครจะเฉยได้กันนี่ยหลวงพ่อสอนบอกให้เห็นเฉยเฉยนะแต่นี่ผมกินทีผว่าไม่ใช่เห็นเฉยเยห็นต้องพิจารณาข้อแก่ก็เกี่ยวตลุ่มตายคือเห็นด้วยพิจารณาส่วนนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าใช่ไหม คำว่าเห็นเฉยๆในที่นี้จะเป็นเห็นแบบซื่อบื้อนะก็เห็นเฉยๆมีตัวอย่างเห็นแบบซื่อบื้อก็เห็นแบบซื่อๆเห็นแบบซื่อๆโดยเข้าใจว่ามันเป็นไปตามกฎอันนี้แหละคือเป็นอนิจจังผู้ขังนาการเห็นว่ามันเป็นอนิจจังผู้ขังนาตาเห็นว่ามันจะต้องเป็นไปตามกฎอันนี้ว่ากฎของอนิจจังคือทต้องทุกสิ่งเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราจะพ้นจากา ก, การแก่การเจ็บการตายได้มันะได้ก็คือสมณะหรือเป็นสนัญญาพิเศเจอว่าคือความสมบกมันพ้นถ้าจิตให้สมบุกจากความแ ก, ก่วความเจ็บความตายแต่ความแก่ความเจ็บความตายสองมิติมีมิติที่เป็นสมมุตแิแ่ะ ม, มิ ต, ตมิที่เป็นปรามัดถ้าเป็นมิติที่สมมุติก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายจริงๆแต่มิติที่เป็นปรามัตดคือวันนี้เราเกิด อ, อีกครั้งนะ How many thought you have today? Setting. How many thinking you have today? A lot. A lot. เยวเกินเกิดไม่ได้นะฮะเห็นไหมนี่คือการเกิดที่เป็นประมรเกิดเยอะมากเราได้เห็นการเกิดของเราได้อย่างนี้เห็นเห็นเราวรู้สึกสนุกไหมตรงนี้นะคือสัญญาณของคุณเห็นความคิดเป็นสัญญาณของ เทวทูตหรออยมทูตทศกิจมณีนะไม่ต้องออกไปหาเลยหาคนแก่คนเก็บคนตายที่ไหนมี่ความแก่ควาเก็บความตายปรากฏตลอดเวลาได้เห็นไหมแล้วก็ความเกิดอันนี้เกิดมาแล้วในความคิดนะั้นมันยังอยู่ไหมมันแก่ไปแล้วะตายทันทีแล้วเกิดใหม่ทันทีเกิดเรื่องนี้จบเอาเรื่องใหม่ต่อ ถามว่าวันนี้คุณเรียนว้าจะเกิดมากี่ชาติแล้วนะจนทัพบไม่พวดนะี่มันมีกี่ความคิดคุณโอคิดกี่เรื่องวันนี้คุณเป็นคนทอบโจนเลยนะคิดกี่เรื่องจำได้ไหมจำไม่ได้ที่จำไม่ได้เพราะมันไม่คิดหรือมันคิดเยอะเกิดบ่อยมากแล้วญญวันนี้บอกลุกขายชาติคุณธคุณัง การคิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์การเกิดความคิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเราไปทุกข์เราจะไม่คิดเกิดเราจะมีตัวรู้อย่างเดียวเพราะนั้นเราจะมาสร้างตัวรู้แทนตัวคิดนงสร้างตัวรู้ตัวรู้ตัว่นี้คือตัวสมุขคือเป็นสมณะณมันจะมีสองอย่างถ้ามีคนเกิดคนแก่คนเกจ็บคนกันถ้ามีสมณ ะ, ะคุณจะดูอันไหนถ้าคุณไปดูตัวสมณะคุณก็จะเหการเกิดแก่เจ็บตาย แต่คุณเห็นการเกิดแก่เจ็บตายแต่คุณยังไม่ได้สติก็จะไม่เห็นสมณะเขาว่ามีให้เห็นสี่อย่างต่อเวลามีความสงบแล้วไม่สงบแต่ความไม่สงบมันเกิดแก่เจ็บตายแต่ความสงบมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในภาวะจิตของเรามีตัวรู้กับตัวไม่รู้ใช่ไหมตัวไม่รู้จะต้องให้เกิดการคิดคัดคิดก่อนให้เกิดแก่เจ็บตายแต่ตัวรู้มันจะไม่เข้าไปในความคิดมันเห็นความคิด เราก็จะทราบตัวรู้เป็นมาเป็นที่อยู่ของจิตแต่ถ้าจิตไม่มีตัวรู้เป็นที่อยู่มันก็จะไปอยู่กับตัวคิดซึ่งตัวคิดม่นต้องเป็นไปตามกฎของแต่ละเกิดเกิดแก่เกิดรายเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับวันไม่รู้กีกครั้งที่ผมจะให้รู้พบชาติตรงนี้ก่อนเมื่อรู้พบชาติตรงนี้ชัดแล้วเราต้องจะไม่ไปต้องไปสวยพบชาติแบบที่เป็นสมมุติเพราะพบชาติที่เป็นต้นเหตุคือพบชาติที่เป็นปรรมวัตคือเกิดในแสงของเนะ คืองารที่อยาจากพวกชาติก็คือเอาใจไปอยู่กับตัวรู้เสียถามว่าการเกิดแก่ใ จ, จมีก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในมันมันเกิดทั้งกระดับเองมันเกิดทั้งกระดับทันทีการเข้าไปรู้การเกิดดับมันจึงเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เพราะนั้นสมณะองค์นั้นคือเป็นเชญงลักษณ์ของตัวรู้แต่ท่านจะเป็นคำพูดเป็นสมมุติเจ้าชายสิีนัทธาจะไปเจอเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงก็ตาม แต่โบราณอาจารย์ท่านปัญญัติออกมาให้เป็นพิสนาธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สื่อความหมายเป็นอุปกรณ์อบในการสื่อธรรมเขาเอง mm hmm. ข้อจริงจะมีหรือไม่ไม่ใช่สําคัญ mm hmm. นะอันนี้คือหลักในพุทธศาสนาที่จะมีทั้งสมมุทิและปัจจุซึ่งเราต้องเรียนรู้ mm hmm. โดยการมาปฏิบัติภาวนาเนี้ยโอเคนะทายเข้า okay, ม mm ีฮัมโมะ e ฮมดิเฟชันพี n d i n g We have any question? Digesting. Digesting. Salam yai, digesting. Salam yai, ko mui yoi. Yoi ko mui i We are doing t h to digest, huh? digest i huh? <laughs> <laughs> <laughs> more and more. m e y b e d o u n g t h s to uh, use many days until you can t r g e t your uh, information. t t s why w g t i s e แล้วมันจะทําให้เป็นจริงนะจะทําให้มันกำไปมีที่ค้งในความสุขแลอความสงบในวิปัสนาจะไม่ต้องการความสุขสงบแต่ต้องการความตื่นรู้เพื่อจะนําไปสู่ความสุขสงบที่ถาวรแต่เราจะไม่ต้องการความสุขสงบที่เป็นชั่วคราวความสุขสงบที่วุ่นวาก็เป็นไปตามกดของแต่ละแต่ถ้าหากเป็นความสุขสงบที่ถาวรหมายถึงเราจะต้องเอาตัวรู้ เป็นตัวไปให้เกิดตัวนั้นเมื่อจิกี้กเราไปอยู่กับตุรูกปั๊บความสงสมมันก็จะเป็นเปวียบานที่เทียนแพ้่ถาหวาเนเ พ, พื่อความมั่นกระทำนั้นคิดว่าคงจะเข้าใจนะไม่มีใครสงสัยเนาะมีนเคยใส่กับคนมโนทนาสาธุในความตั้งใจพวกเราทุกนยที่จะศึกษาเรียนรู้ศิเหล่านี้ไปให้ลูกผู้ปกครองเข้าใจจึงสามารถที่จะ ทำจิตให้สมบู์อยู่เหนือการเกิดแก่เกี่ยวตายด้วยกันทุกคนทุกครั้งเ อ, อิ